นี่แหละนะพอติดเดินมาถึงบทนี้ต้ับขยันดูได้ทั้งวันไม่เหนื่อยสมัยหัดแรกๆโอ้เหนื่อยเหนื่อยดูประเดี๋ยวนึงก็เหนื่อยขึ้นแย่แต่พอรู้เป็นผมบอกว่าพอรู้เป็นแล้วพอหลงเท่าไหรก็เหนื่อยไวนั้นแต่พอรู้แล้วมีความสุข จะรู้อะไรก็รู้แบบนั้นสมว่าเราเริ่มนั่งหยับตัวรู้ตัวแต่ร่ากายจุดสำคัญก็คือรู้อย่างเปิดเผยจะรู้อย่างรู้เข้าไปยึดเข้าไปจับแล้วก็ความทุกข์เกิดรู้ห่างห่างรู้อะไรก็ได้รู้ห่างห่างรู้สบายสบายแสดงว่าตอนนั้นอะไรที่ทำให้เกิดเด่นเดี่ย ก็รู้ต่งนั้นแหละรู้ตรงนั้นแนละ้วใจหลงเข้าไปเกาะก็รู้ทันถ้าใจเปิดโล่งเป็นตัวของตัวเองก็รู้<ม>ไปอะไรปรากฏก็ได้เพราะฉะนั้นพอคนปฏิบัติเก็อาตมาเป็นเคยพูดบอกว่าคนปฏิบัติเป็นนี่ไม่ใช่มาถามว่ารู้อะไรถ้ายัางถามว่ารู้อะไรแสดงรู้ไม่เป็นถ้ายังมีรู้อะไรนล้วไม่ไม่เป็นรู้อะไรก็ได้ ไม่ไดไม้มีอะไรตูวอย่างแสดงธรรมากที่เสมอไปหมดคือไม่ใช่ตัวเราม ต, ตัวอย่างที่ปรากฏมาให้รู้เหมือนคนเดินอยู่หน้าบ้านไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวตนบุคคลสัตว์อะไรเี่ตัววิปัสสนาแท้ๆอยู่ตรงนี้ชอบกับมาที่เมือที่เกงานแบบเลยกับ เป็นต้นว่าพอรู้ว่าหลงเนี่ยก็พยายามบังคับตัวเองจะไม่ให้หลงกลัวจะหลงอีกนะเขเลยมาจับอารมณ์ไหมกลับมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับพองยุบกลัวจะหลงนั่นคือการหางานทำนั่นหลงผิดอีกแล้วคือความหลงผิดซ้ำซากคือพอปล่อยได้แล้วใคที่จะปล่อยไปแนละ้วกลับก็ไปอีกแบบไปอีกการที่เราทําตามรูปแบบนี้อ ส, สัลตะสี่สิบสติปทาน น, นี่ปรัชนาตามปฏิปฐานสี่เราทําโดยมีความมุ่งหมายมีเป้าหมายของการจารทาสมถานเราทำให้ใจสงบแใ่สงบแล้วก็ทิ้งอารมณ์กรรมฐานไปไม่ใช่ไปแตกอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาใหม่เจิตจะคูงสร้างขึ้นมาอีก น, นีปรัสน า, ามันเราทําเพื่อให้เข้าใจรูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงแล้วเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงไม่ต้องกลับไปแตกเหมือนที่มี ถ้จิตถ้าไปยึดก็รู้ว่าจิตเข้าไปยึดแต่ไม่ใช่เราพามานันเป็นยึดเสกและมันหางานทํามันกวนน้ำให้ขุ่นทําทได้ดีนะดิแบบได้ดีมากมีไป ไ, ได้เนสร็จสังเกตไหมแล้วเรารู้อะไรอะไรปรากฏเรารู้หมดรูปธรรมปรากฏเราก็รู้มันมามธรรมปรากฏเราก็รู้แต่แม้ทุกทั้งรูปทั้งนามที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา ของแปลกปลอมมาแล้วก็ไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้แทรกแสงไม่ได้จงใจไม่ได้ตั้งใจจะทำก็ผิดอัดขึ้นมาเล ย, เ, ย, ดยเดี๋ยวทันชีที่เกิดความอยากความทุกข์จะเกิดทันทีเรื่องใหญ่ใหญ่น่ากลัวของร้อนคลื่นไส้ลมอื้อเออ ทำานะทำได้ดีมากเมื่อก่อนทำมาตมงวงหยุดยุ่งกับการแก้อาการเนี่ยถ้าเราวุ่นวายกับการแจ้งาการนะเราไม่มีวันแบกบวงล้อมของความปรุงแต่งออกมาได้เลยจิตใจ ป, ปรุงกุศลนเราก็ปลุงอะไรมาแก้จิตคุ้งสร้างจะมาทําความสงบจิตมีโ ท, ท, โ ท, ท, โ ท, ทสะแห่งเมตตาจิตมีราชาพิญญาสุขะเนื้อหางานทํา เครื่องที่เราเรีอกว่าต้องการเรมีได้ใช่แค่ได้พอแนละ้วแล้วถ้าถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรคือหางานทำน้ำให้กวนน้ำให้ขุนเราแค่เห็นว่าสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นซัมจริงบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วอะไรก็ดับไปถ้าเข้าไปยึดถ้าไปอยากก็ทุกข์ ไม่ริดไม่อยากแนละ้วรูปกระทํานามาทํำาทำก็เกิดดับไปอย่างนี้นไม่ทําให้เราเป็นทุกข์หรอกไม่ชัดเจนเราเรียนเพื่อให้เห็นใจรักการที่เรารู้รูปนามเพื่อเราจะมาเห็นใจรักให้เห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเห็นมาถึงตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งหรอกไม่ใช่เวทนามันก็รู้เวทนาทางใจหายไปทุกทางใจไม่มี เนื้อใจทุกทางกายหนีไม่ได้หรอกเห็เจ้าเห็นว่ตอนนี้ตอนนี้หลายตอนนี้หา ย, หายแต่ก็รู้เรื่องเจ็บนี่เวทนาทางกายก็มีแต่เวทนาทางใจที่เป็นทุกข์ไม่มีแล้วใจก็ไม่ได้เข้าเสวยเวทนาทางใจการที่รู้เวทนาทางใจก็ยังมีสองแบบรู้แล้วเข้าไปเสวย อ, อารมณ์เข้าไปยินดีพอใจหรือไม่ชอบจะสัตว์แต่รู้เฉย ถ้าสัตว์แต่รู้เวทนาเข้าไปแล้วก็ใจจะไม่เป็นทุกข์ถ้ายึดเนี่ยมันไม่เป็นกลางแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําความเป็นกลางจิตเข้าเป็นเองเวลาพระโปลัญญะได้โสูดาท่านถึงไม่ได้บอกว่าท่านรู้อะไรท่ารู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาซ้ำเต็มได้ยังยืน ก็น้ำตาลนะปฏิบัติได้ดีมากเลยนะนะอย่าไปหาเีื่องให้มันแขวงแขว่งการที่การดื่มกระักระนะเป็อการที่การดื่กระสับกรสายนีรจะเ็นอ่างนี้ถ้ากลงวันไปกดไปนวะก็คือนอาจะจะกระสับกระสายได้คือเพื่อไม่กดอารมณ์ไม้เก็บกด เห็นโทรศัพท์กดมือไว้จิตใจก็กระสับกระสายได้กดไว้ก็รู้ทันหายกันอืมนี่เหมือนเกันกดนี่มีการออกแรงเห็นโทรศัพแล้วออกแรงเหมือนออกแรงกดมันก็แค่กดตัวก็จะซ่อนแต่ถ้าเรารู้เฉยๆมันสลายตัวไปเหมือนกระจายในอากาศสลายตัวไป ออ่เงินได้เงินก็ได้เพราะงั้นแกฟื้นโยสับกระสายเขดูไปกายด้วยจิตโยสับกระสายการก็ไม่รื่งกายกระสับกระสายไม่เล่นทางกายแล้วแตจิตกระสับกระสายเรื่องของจิตถ้าปฏิบัติมาถึงจุดนี้จิตกระสับกรสตยมันก็เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่ของเราแวการที่เล่าความ คือรูปแบบนะรูปแบบของการปฏิบัตนะิเราทําในขั้นต้นอย่างที่อาจามาบอกเลยว่าอย่างจิตใจเราฟุ้งซ่านทำอะไรไม่ถูกเราทำสมถธิเพื่อให้สงบวิธีทําสมาธิก็มีรูปแบบ40สิบแบบเราก็เลือกรูปแบบที่เหมาะกับเราพอจิตใจสงบ ก, ก็หมดหน้าที่ของสมาธในการเจริญสติก็เหมือนกันสติปัฏฐานสีม่มีสี่โดยอารมณ์4อย่างต่างกัน สำหรับคนที่เจริญต่างๆกันอย่างพวกคิดมากท่านคิดเนี่ยมองไอจิตตารูา้ศาสนาและธรรมานูา้ศาสนาไม่ต้องไปรู้เดินทางกายก็ได้พวกปัญหาเจริญเนี่ยมองกางจักรยานนี้เราทําสติปัฏฐานสี่ก็มีความมุ่งหมายสติปัฏฐานสี่ทำไปเพื่อสิ่งเดียวกันเพื่อความมีสติสัมมาชัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องต้นเราหาคนเดียว เราดูท้องฟองท้องยุใจหนีไปหรือไปขาดสติรู้ทันนี่เรียกว่าฝึกซ้อมอยู่อันเดียวยหรือดูเวทนาอย่างเดียวเลยไม่ดูอันอื่นถ้าเวทนาทั้งวัน อ, อารมณ์ในสติปัฏฐาน4ีจะเกิดตลอดเวลาเกิดทั้งวันอันใดอันหนึ่งเนี่ยต้องเกิดตลอดแล้วอันเดียวฝึกซ้อมไหมเมื่อาาคนขยับตัวแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกจะมาเอาเผลอเผล อ, อแล้วขยับตัวโดยไม่ทันตั้งใจ สติมันพันวัดขึ้นมาเลยแล้เขามันเคยสึกรู้สึกขึ้นไหวแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกซ้อมไว้ทีพอซ้อมเสร็จแล้วได้ความรู้สึกตัวมาแล้วพอเราเติอ เ, เกิมขยับตัวก็จะรู้สึกขึ้นมาเรียกว่าเราฝึกได้แล้วขัดจากนั้นเนี่ยเข้าสนามรบจริงๆตากระทบรูปหูกระทบเสียงไม่ใช่อันใดนหนึ่งนะไม่ใช่อันใดนหนึ่งไม่ใช่จะมารู้ต้องฟังต้องยุบหรืออะไรนะ จิตรู้อะไรรู้อันนั้นนี่ยจะรู้แล้วเข้าไปยึดถือก็รู้รู้แล้วสับว่ารู้ก็รู้ทีงแล้วเอตรงนั้นแต่พอทํามาตรงนี้แล้วเกิดทำมานานั้นแล้วชักเบลเบลไม่รู้เรื่องก็กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแต่ที่เราไปฝึกหว้เข้มของทค ง, ง, ง, งยุบไหลก็ได้ จริงๆการนั่งก็มีสองงานนะแล้วแต่ว่าตอนนอนเราต้องการอะไรถ้าต้องการสงบก็ทําทสมาธิหรือจะนั่งเพื่อจะห า, าจิตหาใจก็นั่งเหมือนกับกลางวันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอยู่ในอิริยาบดนั่งเรียบร้อยไม่ยุ่งกับใครกางวันอยู่ในอิริยาบถยุ่งกับคนอื่นเวจังค่ะแต่ว่า จะต้ะกก็คจะดองคิดว่ากองนองจะดีแล้วจิตควรจะทำารทำห้จะตองถาอย่าง more, ี้ดีนะเี่ยจะตอบพวกเด็กๆคนนี้ด้วยเด็กๆรู้ตัวแล้วจะต้องไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ต้องไม่ทำเนี่ยจิตใจจะพ่อแป้พ่อแป้ลงไปเรื่อยๆถึงลูกแบบทีเด <massage> ียวไม่ได้ ทำได้ดีนะนุ้มูลกาโอ๊ยบาย่าจะเข้าใจได้อย่างนี้คนเนึนงยากนะยิ่งพวกหาไม่เริกนี่มันข้าใจพระมังกาอาจายจไม่ร้ที่่รายงล่าให้ท่านมดฟังสิ่งที่ทำให้บางคนเดยนที่ช้าบางคนเด็นได้เร็วพระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้หมวดนชื่อว่าปปันจธรรม ทำที่ทําให้เนื่อนช้ามีสามตัว น, นะทำที่ทําให้เลื่อนช้าตัวที่หนึ่งคือกาหาความอยากหรือขยกปฏิบัติอยากได้มักได้ผลนี่ทำให้เนื่อนช้าเพราะจิตใจแทนที่จะรู้นะแต่จิตใจริ้นรนแทนที่จิตจะหยุดริ้นรนแล้วก็รู้เอาจิดกับริ้นหนักกว่ขเขาเพราะความอยากตัวที่สองวิธีคิดช่างคิดนศึกษาเปรียบเทียบไม่ได้เจออะไรแล้วก็วิเคราะห์หมดเลย เมยโยนทิ้งหนึ่งเจอว่าตัดทิ้งไปเลยเกิดกะเจอทุ้งยานหีบมาใกล้่วนเอ้ยไม่เรียกว่าอะไรมนาะจากไหนโอ้คิดใหญ่เสียเวลามากมายนะใกลๆไม่ยอมทำงานนะหัวแต่เล่นอยู่ข้างทางก็เนิ่นชา้าอู่ตัวหนึ่งเรียกว่าตัวมานนะักต้องระวังนะยุคพอแก่ๆขึ้นมานะ มีมันนะเรามีเด็กในคอนโซลมีมานเรื่อยเรืยยิ่งพวกเจ้าสำนักพวกเจ้าสํานักหรือพวกหัวหน้าทีมเวลามานี่มากันหลายหลายคนหัวหน้าทีมนี่จะไม่มีความสุขเลยในการมาฟังธรรมกเขาลกรงกลงวัวจะถูกถามแล้วตอบไม่ได้กลัวว่าหลวงพ่อสอนแล้วจะขัดกับที่ตัวเคยสอนเไเพราว้ถ้าตัขัดกันปั๊บตายของเราไม่ถูก ตกใจมากเลยร่อไปลหลังหลวงพ่อก็รีบอธิบายไงเหมือนกันแหละแต่หลวงพ่อพูดอีกภาษาหนึ่้เด็กลูกมชิมเนอะรู้เรื่องไปแล้วเนะเลยเฟรี่เฮ้ย <c oughs> พวกบงเยอะเลยงั้นไอ้มาน้านที่ฉีดไอ้โดนะทิ้งไปโดนทิ้งแบบฆ่าหานะนี่เนระต้องกล้าหานะเรามีเด็กในคอนโซลเยอะเรา เย่นีหน้เจาเจับย้อก็ต้องานที่้จะเข้าใจเจอแล้วใช่อาแไม่เข้าใจ่ทีรเหมือนจะเข้าใจเหมือนข้าใจแต่เข้าใจเป็นคนละแบบแค่หลายเจอแล้วจต้องีใช่่ดดก็เหมือนกันอ่านแล้วโอ้รู้เรื่องรู้เรื่องรู้คนละเรื่องกับที่พระพุทธเจ้าสอน รู้เหมือนกันคนกคอว้องรู้ทงการนี่ยอนี้็แค่นี้างต่ะเด็กมเราตาเห็นรูปาพ้ไหมทำไมมันถึงเห็นนะเพราะว่ามันมีตาใช่ไหมก็เลมีรูปมันมีแสงสว่างและจิตมันจะเกิดทางตามันเกิดความสนใจที่จะไปรู้ว่าลงทางตาอย่าสมว่าเราฟังเพลงเีนตาเราก็ดืมแป๊บๆไม่เห็นรูปหรอก เัาต้องมาฟังเองเนี่การทางานของธาตุของขันของอายรยตระหนของจิตของอะไรเนี่ยง่ายจะตายหรืนมีอะไรเลยไดย้ได้หลังจ า, า, า ก, กาาที่ทนนมันสุขใจไป ย, ย้อนการทำงานก็จะเพียงเพียงการเข้าใจแต่ต า, า, ามแต่ ยู้ดรูดแต่อารมณ์เก่ามันนิ่งๆเงียบๆอยู่มาสูามันมีอะไรมากระทบทางหูเรามีเสียงมากระทบทีแรกใจมันแค่ๆมันตื่นขึ้นมาสังเกตไหมให้มันมันฟุดขึ้นมาจากการนอนหลับลึกๆของมันอยู่ในภาวะนั้นุดขึ้นมาเสร็จแล้วพอฟุดขึ้นมาเนมันจะมา แ, กแยกแ ย, กแยกแวะว่าอารมณ์ที่มากระทบที่แปลกปลอมเข้ามาแต่นี้นมันอยู่ทางไหนเพราะมันอยู่ทางหูจิตจะไปเกิดทางหู ด้วยปัญจภวารวชนะที่มันตัดสินใจว่ามันจะไปทางหูก็เกิดวิญญาณเกิดจิตทางหูเรียกเรียกว่าโสตวิญญาณก็ไปฟังเสียงหูที่ฟังเสียงเนี่ยสังเกตไหมเหมือนที่ตาเห็นรูปเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นรูปปรมาตัวจริงไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าเสียงอะไรไม่รู้ว่ารูปอะไรตาเราเราหลับตาอยู่เราเราเห็นจะลืมต า, าขึ้นมาขณะแรกที่เราเห็นเนี่ยเราไม่รู้ว่ารูปอะไร เนื้อผาจากนั้นนิดหนึ่งในภาวะที่ติดต่อกันเลยนะความจำก็ปุดขึ้นมาอ๋อนี่เสียงคนเสียงคนนี้คนนี้จำได้พอจำได้ว่าเสียงคนนี้คนนี้มันส่งสัญญาณเตือนเข้ามาที่ใจไอ้คนนี้ศัตรูเก่าเราศัตรูเก่าเราตกลงใจแล้วว่าได้ยินเสียงนี้จะต้องคุ้มใจตัดสินใจว่าจะเกิอดอุปศ ถ้าทำอย่างนั้นจิตก็มีอกุสลขึ้นมาตั้งใจเสียงเนี่ยคนนี้มันเกิดมีตัวคนขึ้นมาเพราะว่าอคุศลทํางานถ้าสติปัญญาทํางานแทนก็ไม่เปลีป่ย น, น, นจะก็เสียงแต่ว่าจิตเกิดอกุสลต้อไปรู้ว่าเมียอคุสนกายเป็นอคุศนอิทธิออพลอคุสนนี่หมดไปวิธีวิทธิจิตที่ฟังต้องอิทธิหนึ่งวิท ธ, ธิที่จะไปสะเสวยอารมณ์ต่างๆ ัางใจอะเรรับช่วงกันต่อไปให้สิเจ็ดขนาจิตเหมือนยาก เ, เกิดกัา่องาก่ใช่กระทั้งจิตจิตก็เกิดกันถูกต้องครับ ถูกพยายามก็ทำไม่ได้ถูกต้องแม้ธราทำมากแม้เรามีสติไวขึ้นมาสิ่งที่เรียกว่าสัน ต, ติคือความต่อนนนเนื่องความสุดเน้่จะขาดจากบ้านเนี่ยเราขึ้นมาถึงนิพพานะแท้ๆ แ, แล้วสัน ต, ติขาดก็รู้ว่าอยากท ร, รมากแท้ๆเราไม่เอาใช่ ธรรมะจริงๆคือกา ร, ร, รที่วอกขาดให้เราดูเนี่ยเราจะไม่เอาเราจะเอาธรรมะกรอบเนี่ยธรรมาพูดให้ฟังชัดเจไหมตอนนั่งฟังเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดทางตามีจับคู่วิญญาณจิตเกิดทางตาเดี๋ยวก็เกิดทางหูฟังการดูกับการฟังก็คนละขนาดดูออกไหมแล้วอีกแวบหนึ่งจะเข้ามาคิดที่ใจแล้วคิดที่ใจเนี่ยายาวยาวไปที่ฟังหรือู ไม่เป็นไรมีเทปไม่เป็นไรโรานนี่เสร็จธะอาจาย์ใจรู้ว่าที่ไหนได้ด้วยแต่จะเห็นว่า นไม่ได้ไม่ได้ต่อเรือ่องอาไม่ได้ต่ อ, ตอเรื่องนว่ามันจบแลนะ้วนะมที่น่้งรมตั้่สติจะท้งตัวสตินะงกรเกิดับจิตก็เกิดดั บ, ดดดบสังเกตไหมว่าตอนนี้เราไม่มีคว่าจิตเที่ยงเลยจิตไม่เที่ยงใช่หมอย่างเดี๋ยวก็รู้อารมณทางตาเดี๋ยวรู้ทางหูเดี๋ยวรู้ทางใจอย่างที่นั่งฟังเนี่ยใช้อายตนะสามอันจำนะดูออกไหมเไปทางใจแนละ้วดูแวบหนึ่งฟังนิดนึง ก็ไปคิดยาวๆวขึ้นมาฟังต่อแล้วไปคิดอีกนั่นเป็นปกติคมะ่คณเพตนาะอ่านนังก็อ่นหือล้นะไรอหัไม่ไไม่เฉพาะอ่านนี้นะกรท่งการดูสัเเงเกตไหมว่าเราดูอะไรไม่ได้จริงจังสังเกตไหมอย่าลองมองหน้าหน้าลูกชาย มองได้ไม่ต่อเนี่ยเหมือนกับที่ฟังหทือที่ อ, าอา่านหนังสือขา่่าอด้ะพานีน่เเปานช่วงๆ เราดูได้แว บ, บเดียแล้วก็จะเบลอๆมันต้องดูซ้ำดูไปลองตั้งใจดูสิตั้งใจดูดูไม่ได้หรอกแล้วันจะเบลอตลอดเวลาเลยแล้วเราเห็นรูปนะเห็นจุดเล็กนิดเดียวอาศัยความจําถึงเล็กจาออกมาเป็นหน้าคนไนดะ้เห็นทีละแว บ, บๆบบนะต่อๆไม่เบลอไปนะดันั้นสิ่งกระทั่ทงรูปที่ตาเห็นก็เกิดจับเสียงก็เกิดจับอารมณ์ทางใจก็เกิดจับ จิตที่เกิดทางตาที่มารู้รูปอย่างมันมองหน้ากันมาไหมดู อ, ออกไหมว่ามอ ง, งอมจริงจริงบเดียเกิดดับตลวลา้าดจริงๆิจิตเกิดับตลอดเวลาห้า ม, มไม่ได้มไไหมแบแบแบแบส เออมันไม่ได้สะใจหันไม่มันไม่สใม น, นสใจอยากคื อ, ค อ, คอแต่ต่อไปนี้ก็ไม่เปลี่ยนแล้วเาเรารู้แล้วว่าอันนี้ยธรรมดาจริงๆธรรมชาติเป็นอย่างไง น, นยสติปัญญาเราคุมกล้าขึ้นมาเราไปเห็นโด้วยทั้งสันตติขา่าวเราไม่เห็นแล้วว่าทั้งหมดนั้นคืออันเดียว จะมันคือจุดเล็กๆๆๆที่ต่อขาดตลอดเวลาอันนั้นเนี่สันตตีมันขาดเรื่องนี้อัสษณาตัวจริงๆจะทำลายความเห็นผิดว่าเทีย่ยง แล้วเดียงการเห็นว no, ่ามันขาดแท๊ตแท๊ตแท๊ตเลยทำลายความเห็นว่าเชื่ยงเป็นอันนี้จังอันนี้จังปรากบดเพราะสันติปิความต่อเนื่องนี่ยิดตามอันนี้จังพอเราเห็นโลกไปขาดอันนี้จังก็ปรากบดอันนี้จะลักษณะปรากบดนี้เมื่อไรจิตเห็นอะไรกอันนี้จะลักษณะแล้วจิตยังไม่เห็นอนนี้จะลักษณะจิตเห็นไม่เที่ยงไม่เชื่ยง จิตไม่เพี่ยนร่างกายไม่เพี้ยนวิปน า, ามิเพี้ยนอย่างนี้เสร็จแล้วจิตมันจะค่อยๆพัฒนาต่ อ, อ, อไปมันจะไปรู้รู้ใจรักรตัวจริงแต่จะรู้ใ่รักรตัวจริงเนี่ยจิตจะเป็นกลางสังเกตไหมตอนนี้เราเริ่มลำคาเริ่มลำคาใน ก, การที่มันเกิดดับเกิดับมันขาดเป็นชิ้นๆชิ้นชิ้นจิตมีลำคาเพราะเราจะเห็นดับเห็นการขาด ซ่วงๆเร า, า, าไปเปิดโซลรถยนต์เห็นดับลงไปนะั้นคือพังขยานมีการดับแล้วก็มันจะเกิดความเบื่อหน่ายจิตหนาละอาใจแต่เสร็จแล้วทำไจะพ้นจากไอ้สิ่งที่แวะแกละๆดูได้ลไม่ได้เพราะนี่เป็นธรรมดาธรรมชาติแต่วันหนึ่งเข้าใจธรรมะส่วนนี้จิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาจิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วนี่สุดทางที่จะปฏิบัติ หลังจากนั้นเนะี่ยจิตจะต้องดำเนินของเขาเองเแต่สังเกตมไว้เราเคเห็นแรกๆมีเห็นของจริงะแต่ยังไม่พอใจมันไม่เป็นอิงมันอยากให้ยาวๆมันยังได้เป็ น, ป น, น, นจ ร, ริงสมาธิสั้น ไม่มีแตนะ่มาถึงพูดเรื่อยๆแต่ก่อนมันก็เหมือนเส้นตรงอะไม่มีหรอกเส้นไม่เนี่ยมีแตจุดที่ต่อกันต่อกันมากๆก็รู้สึกว่าต่อเนื่องปัญญาเราแทงทะลุลงไปจริงเราก็ว่าไม่มีอะไรหรอกเป็นจุดเล็กๆเท่านั้นเป็นขนาดสั้นๆ ข้า ง, ม, งมือว่างเลยมีอไรม ไ, ไ, <ง>ไม่โไม่น่ามีแล้วมเรียนได้ขนาดนี้ไ <c oughs> งแล้วชายหนุ่มเนี่ยเรียนจากแม่ได้แล้วนะแม่เก่งแล้ว <c oughs> อย่างนี้เลยอย่างนี้เป็นแม่ตาได้เนาะแต่กงนี ย, ย <c oughs> อ, ะอะไรเหมือนเดิมละ อาจารย์ท่านวนะ่างไงบนะ้า ง, งนะท่นว่าไนะรอได้เลยนะทำไปเรื่อยๆอยีต้องแก้อะไรนะอย่าไปแก้แต่ยังข้าวก่อนมันต้องต้องแก้จนะิต ม, มันอ่อนไปกกำลังไว้ดีอันนี้กำลังมันก็ขึ้นมาถ้ากาลังตกใั้ก็ทำสมาธิ เท่านั้นเนี่ยนะจริงต้องมีเท่านเนี่ยแต่คนเนี้ยไม่หายจะได้กับเขาฮะยมว่าเป็นผู้นำนะต้องกล้าหาญเยอะๆเมื่อวานมีมาคนหนึ่งด็อกเตอร์ชัยพัศน์ภรรยาแกชื่ออาจารย์เกียรติจันอยู่ที่ไหนนะอาจารเกียรติจันทรเกษตรด้วย เอไนั่นสบายสบายได้ไหนก็ได้ภรายานเนี่ยปฏิบัติได้เร็วกว่าสามีมากไม่กี่เดือนน่ะเข้าใจดื่นขึ้นมาแต่สามีเนี่ยความพยายามสูงอย่างนี้ผู้รูไม่ใช่เขาอย่างนี้ทำไปไเรื่อยๆนี้ก็ทำไปเรื่อยๆคุณด็อกเตอร์จะไปทำอย่างพ้อจาจพวกเราไม่มีบุญวาสนาเลย มานี่นะอาจารย์ไม่เคยชมเลยคือบอกว่ายังไม่ชุกอ่างไป น, นี้ไม่ตปกิบัติละมีวัสนาขอทำบุญทำทานก็แล้วกคิดไม่ใช่เนี่ยขอทำแค่เนี่ยพอใจไม่คิดจะทำต่อเนี่ยนละใจก็รวมเข้ามาสงบลงมาเพราะมันเลือดิ้นในการดิ้นอย่างนั้นนะเหมือนเหมือนปลาที่ลึกเราบิดกวนน้ำไม่สุ่ม ดูอะไรไม่รเรื่องหรอกแต่ก่อนมันขึ้นหมดเต็มหนึ่งหมดพอเลิกแล้วไม่เอาแล้วจิตก็รวมลงมันนิ่งๆมีความสุขโปร่งเบาขึ้นมารู้ว่าโปร่งเบาพอภาวานาเป็นแล้วเป็นตรงแค่รู้นั่นแหละเราต้องเลิกทำแต่ไม่ใช่เลิกปฏิบัตินะม <c oughs> ีหน้าที่ง่ายๆนะนี่หน้าที่ของเราของผู้ปฏิบัติก็คือ รู้ทันว่าจิตของเราไปแอบทําอะไรอย่าไปทําซะเองเช่นจิตของเรามันตั้งใจจะปฏิบัติแล้วเรารู้ว่ามันตั้งใจปฏิบัติใช้ได้ถ้าเราตั้งใจเข้ามาเราทำไม่ได้ล่ะแต่ถ้าจิตมันตั้งใจเรารู้ทันมันถึงใช้ได้ความโกรธเกิดขึ้อนอยากละใช้ไม่ได้ความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้น ตัวไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราไม่ทำอะไรมากกว่าการรู้วิธีง่ายๆเราลองเช็คตัวเองเป็นจุดๆเป็นช่วงๆไปก็ได้ลราตั้งคำถามเลยลตอนนี้ทำอะไรอยู่จิตใจอะจิตใจทำอะไรเรือ <c> ห <oughs> ลงเห็นไห ม, ไมไเห็นไห้หลงไปแล้วเรารู้สึกว่าเรากังคังทำอยู่แท้ๆเลย กำลังปฏิบัติอยู่กำลังรู้อยู่เขถูกถามว่าทําอะไรอยู่นึกออกไหมใช่ไหมล้วแอบไปปรุงแต่งอยู่นี่เราทําอะไรรู้ไหมป็นหลงว่าเป็นจิตข้างในไม่เคยรู้ทางทำอะไรอยู่แล้วนี้ยไม่รู้ิดตอบเนี่ย มันเป็นการคิดต่อบให้รู้แต่าวานะแต่มันอย่างตื้อๆอยูอย่อย่างนี้นรู้นันตัวสภาวะจริงๆ ม, มันก็หรุดล่วงไปหมดคุณมัญชลีทำอะไรนะยูออกไปมว่าทำอะไรเคี่คอยรู้ทั น, นบ่อยๆรู้ทันปรับปรุงแต่งไั ความปรุงแต่งเราขัดรู้ทันเป็นชมนิชชุ่มนานพะอมันเริ่มปรุงนิดเดียวเราก็เห็นแนละ้วว่าปรุงแต่งก็ขาดไปนิพพานนี้มีหลายชื่อนะชื่อหนึ่งคือวิสังขารความพ้นจะความปรุงแต่งเห็นเราเห็นความปรุงแต่งเกิดขึ้นรู้ทันครับครามปรุงแต่งสลายเกขาดไปก็เข้าใกล้นิพพานเข้าใกล้ความไม่ปุงแต่งหรือนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัญหา จิตเราคือมีตัณหารรมีความพยานดวงตาหูจมุกลิ้นกายใจเรารู้เท่าทันความพยานพยานจะตัณหาขาดไปเราเข้าๆใกล้วิราคาเป็อีกชื่อหนึ่งของวิรรขาดเราใกล้วิาขาดถ้า ใ, ใจเราเข้าไปเกาะอารมณ์เข้าไเกาะอารมณ์ต่างๆาหูจมุกลิ้นกายใจเรามองเห็นเรารู้เท่าทัน ไม่ก็เลิกก่อนสายออก